ลูกรักสำหรับตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องประวัติคุณช้างคุณแผ่นสักนิดหนึ่งหวังว่าคงจะไม่เป็นเที่ยวคาญของลูกเวลานั้นท่านคุณช้างท่านเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชแล้วก็มีเทวดาเป็นจนนลมากมาร่วมกันอ้อนั่งในรถท่านมาให้เห็น พ่อไม่ได้ใช้ฌานยานสมาบัติใดๆทั้งหมดฉะนั้นขอคนที่มีจิตคิดคดทรอยตแต่ความดีแต่องค์สมเด็จพระจินศรีบรมสาต์เซนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงอย่าหายเรื่องตกมรรกที่เห็นก็เป็นอารมภาพของเทวดาสแสดงให้เห็นถ้าอย่างชาวบ้านเ็เรียกกันว่าผีหลอก คนที่เห็นผีหลอกเขาเข้าชานสมาบัติหรือเปล่าถ้าเรื่องนั้นมีประมาณชั้นใดเรื่องนี้ก็มีสภาพเช่นนั้นถามท่านคุณช้างว่าท่านเป็นเพื่อนกับคุณแผนและเรื่องร้ายทั้งหลายแหล่ที่คนเขียนมันมาได้ยางไงและก็กล่าวว่าเวลานั้นเป็นสมัยราชาธิปไตย คนที่อยู่ในสมัยราชาที่ปฏไตยต้องเป็นคนดีมีจริยารีทั้งสองคนเป็นขนุนขุนช่างเป็นมหาเศรษฐีแต่ก็มีความรู้ดีขุนแผนเป็นคนจนแต่ก็จนอย่างขุนแผนไม่ใช่จนอย่างยาตกคนที่มีวิชาความรู้ดีคำว่าจนก็หมายถึงว่ามีเงินไม่เหลือล้นนั่นเอง และคุณแผนเป็นคนมีลูกน้องมากเป็นแม่ทัพนอกจากเงินประวัติเงินปีที่พระราชาให้คุณแผนก็ต้องล้วงเงินในกระเป๋าของตนเลี้ยงคนทั้งหลายที่มีกำลังดีเก็บเอาไว้ต่อสู้กับข้าศิกคุณแผนเป็นโูกขงกลาท่านบอกว่า ความจริงขุนแผนกับขุนช้างไม่มีเรื่องอะไรมีความเข้าใจผิดแกนเล็กน้อยตอนที่ขุนแผนไปตีเมืองจอมทองมีคนเข้ามาแกล้งแย่งความดีขุนช้างคิดจะให้ขุนช้างถูกขุนแผนฆ่าตายจึงกอาดูคนมาแสแดงว่าเวลานี้ขุนแผนตายแล้วและคขุนแผนก็สังว่าสำหรับวันทองซึ่งเป็นเมียเล็ก เห็นว่าไม่ควรจะคู่ควรกับใครขอมอบไว้ให้แก่ฝูลช่างคอยปกครองด้วยช่วยรักษาเธอให้มีความสุขนี่เห็นไหมเห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่เขียงกันไปนมันลอกเลื่อกันมากไม่เป็นเรื่องของผีบอกแล้วก็ถามคุณช่างว่าเวลาท่านจะตายทำไมไม่เป็นไม่เป็นสัตว์นรกแล้วก็ยิ้ม แ่าตั้งใจชี้หน้าว่าท่านล่ะตัวท่านเองทําไมจะไม่เป็นสัตว์นรกก็เลยบอกว่าฉันก็นึกชาติไม่ออกนี่ฉันไม่สามารถจะลึกึกชาติได้ฉันไม่รู้ท่านเป็นเทวดาท่านรู้ท่านลองบอกสิท่านบอกว่าสมัยนั้นท่านคุ้นช่างก็ดีคุ้นแผงก็ดีและพระบําราถารินก็ดี พ, า พ, าดพยาการจนะ บ, บรีก็ดี สามชื่อนี้คือขุนแผนได้กับไพรแก้วแต่คนสมัยนั้นทั้งหมดเขาเป็นนักบุญกันท่านก็ชี้จุดต่างๆให้ดูว่าเมืองสุพรรณมรนดาดาษไปได้วยวัดวาอารามและจังหวัดกรงุงศรียติยายก็ดาดดาดได้วัดวาอารามมัติดๆกันนั่ น, สนแสดงว่าคนสมัยนั้นจิตเขาเป็นมหากุศล ทำบุญทำกุศล ส, สดมนไ์ไหวพระใสบาตรทำบุญนั่งเจริญสมถะมีปัศนากันเป็นปกติโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งกับคุณแผนคุณช้างทางคุณช้างว่าจริงจรงราช จ, จักินามของท่านก่อนที่ท่านจะตายนะ่ะท่านมีราช จ, จินนามว่าอย่างไงคือบรรดาสักดิ์แล้ท่านบอกว่าบรรดาสักด์ของผมจริ ง, รงๆก็เป็นพยา มีนามว่าพญาพานุ ม, มาตรให้พานุ ม, มาตรก็ช่างใช่แล้วเป็นพญาพานุ ม, มาตรอยู่กับเมืองหลวงมีหน้าชี้ที่ควบคุมช่างสําหรับคุณแผนจริงๆนั่นก็ได้แก่พญาการบรุรีแต่เนื้อแท้จริงๆเป็นเจ้าพญาในตอนสุดท้ายแต่ถ้าว่าประวัติศสาสตร์หายไปแต่สองคนเมื่อหมด แต่เวลาที่รับราชการอยู่ก็ชอบทําบุญเจริญสมถะกรรมาฐานวิปสนากรรมฐาน ต, ตอนพ้นจากราชการก็ไปจํำสิงกันในเขาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคุนแผนไปอยู่ที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจน บ, บุรีเซมรับท่านขุนชานี้ปรากฏว่าหลบประโยชน์ทางเขาราวเทียนพวกเขาราวเทียนนี่อยู่ทางหลังอําเภอหันขา สองคนจำศีลภาวนาได้ฌานสมาบัติตายจากความเป็นคนคุ้นชามไปเกิดเทวดาชช่นจาตุมหาราชแต่สำหรับคนแผนเวลาตายเข้าฌานตายก็มีกำลังใจใหญ่ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมมีนามว่าอะไรอย่าพูดกันไปเลยพราเดี๋ยวคนประเภทนั้นเขาจะลำบากใจรู้สึกว่าพ่อพูดอะไรไม่ได้หรอก เขาไม่จะจับจุดอะไปพ่อก็ไม่หนักใจว่าเขาจะนินทาเด็กเกรงว่าเขาจะตกนรกมากเกินไปเป็นเรื่องของผีบอกแต่ท่านก็นบอกกูว่าคุณแผงเขาเขายันเกิดเพาะว่ามีนิสัยเสือกเขาถือว่าคนไทยที่มีน้ำใจดีเป็นคนของเขาเขาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเขา เมื่อสมัยที่แผ่นดินไทยมีความลาบากก็คา้อมดําในเขตขงโยโนกตครพรหมขุนแผนความจริงคุนแผนตอนนั้นนะยังไม่ได้เป็นพรหม พ, พ่อปวดกลาดไปท่านบอกว่าหลังจากการตายไปแล้วสองคนก็ไปอยู่จ่าตุภาราชเหมือนกันยังไม่เป็นพรหมตอนท้ายขุนแผนจึงไปเป็นพรหมเมื่อประโยชน์จ่าตุภาราชแล้ว ก็บำเพ็ญบารมีพอสมควรจึงได้ขึ้นไปเป็นพรหมเห็นว่าโยนกนกคกรไม่ดีท่านเหล่ายนต้นท่านบอกว่าเป็นคนชอบเกิดก็มาเกิดเป็นพระเจ้าพรหมมหาราชต่อมาตายแล้วก็ไปเกิดไปจุไปเป็นพรหมอีกแล้วก็ลงมาในสมัยของสมเด็จพระพันนาสานีนามว่าปลายแก้ว หลังจากนั้นตายไปแล้วก็มาเกิดใหม่ในสมัยของพระนารายมหาราชมีนามว่านายเหล็กก็เด็กชายเหล็กหลังจากนั้นตายจากนายเหล็กไปแล้วไปเป็นกรมแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์นายแผนและนายแก้วในพลายแก้วก็ลงมาเกิดใหม่เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ในงานเสือก เสียกเป็นเหนือบ้างเสีอกไปใต้บ้างเสือกไปตะวันตกบ้างเสียกระตะวันออกบ้างจึงถามท่านว่าเวลานี้นายแผนเกิดเป็นคนชื่อว่าอะไรให้คุณช่างน่ะบอกว่านายแผนไม่ใช่คนเขาไม่เรียกนายแผนว่าคนเขาเรียกว่านายแผนเป็นอย่างอื่นแม้ท่านก็ยืนยิ้มถามว่าทําไมจึงไม่บอกถ้าบอกบอกก็ไม่มีประโยชน์ประเดี๋ยวคนเขาจะตกนรกกัน เพราะว่าในช่างพูดใครไม่ได้ยินแต่เวลาท่านพูดไปนั้นคนอื่นเขาได้ยินดีไม่ดีเขาจะหาว่าท่านเสือกโอดดีโอดเด่นโอทวิเศษเกินไปแต่ความจริงเรื่องนี้มันจะผิดมันจะถูกมันเป็นเรื่องของในช่างคือผมเขาควรจะบอกว่าในช่างที่กล่าวว่าหัวล้านเหม่งในความจริงเป็นหล้านงามถอเท่านั้น ไม่เช่ร้านหัวใสตจใจดีใจไม่หยาบคายแบบนั้นเป็นนั้นว่าคุยกันกันกนกบท่างคนช้างที่เวลาอื่นก็เลยไม่ต้องคุยต่อมาเมื่อรถผ่านมาถึงมาถึงเขตวัดป่าเรไรกำลังใจกระวนคิดไปถึงประวัติที่องค์สมเด็จพระสุโขทัยศรีสภาพ นีพระเมืองโกสัมพีที่มีการทะเลาะ ก, กันแปกแย้กันความจริงนักบวชรุนนั้นกกเลวแสนเลวไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่แท้ไม่เชื่อฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าต้องประนามวัาเลวมากแต่ว่าเรื่องนี้ขอผ่านไปมีแล้วในประวัติไปดูวัดป่าเลไลความจริงวัดป่าเลไลนี่ แล้วก็รู้รู้ทราบชัดแต่เขื่อนพูดไปก็มากความเดินทางออกมาหลังบัดป่าเรไรมองไป็นดังสะแก้วสาคาสะยม น, นาสาเกตไม่ได้มาเดียวแล้วคนนี้มีพักพวกมาในรถมากรถหน้ารถหลังรถกลางรถที่หนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเพื่อนช่างไม่ได้ห่างไกลเดินมาด้ยวยกันท่านก็ชี้ไปที่สะแก้วสาคาสยุม น, นาสาเกต ให้มาไหจุดนี้เดิมทีโบราณเขาก็เป็นเมืองแล้วก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์ไอเมืองประวัติศาสตร์ในตอนนี้ก็ต้องคิดถามปวัตประวัติตอนไหนถ้าบอกประวัติที่เมืองมันเป็นเล็กๆความจริงเป็นเรื่องของเมืองไทยแต่ว่าอาณาจักรไม่ใหญ่อาณาจักรจริงๆไม่ใหญ่มีความกว้างประมาณสักห้าสิบกิโลเมตร ยาบประมาณ80กิโลเมตรแต่ที่มันไม่ใช่สีเดี่ยมเป็นผ้าโดยประมาณนันบอกว่ามีราชาหลายองค์ด้วยกันคือเป็นพ่อมเมืองรับภาระติดต่อกันมาแต่ต้องมาสลายตัวก่อนที่ไอซุงศรียาจะตั้งตัวขึ้นใหม่พระราชาองค์ท้ายชื่อว่าเขมาราชมีลูกสาวสี่คน รูกษาชื่อวานางแก้วนางคานางยมนานางเกศเรต้าเจ้าหญิงนวลแก้วนางเจ้าหญิงประพาคารเจ้าหญิงยมนนาเจ้าหญิงแก่เกศแก้วอะไรก็ตามท่านบอกชื่อยาวยาวผู้จาไม่ได้สนัดเป็นเจ้าหญิงแป้งสี่คนลูกของท่านเป็นผู้หญิงหมดต่อมาก็ปรากฏต่างคนต่างได้สามี นางเกตเป็นหญิงที่มีความสวยที่สุดคล้ายๆ้รเจนาไปคว้าลิงป่าเผือกตัวใหญ่เท่ากับขนมาเป็นสามีดีไม่กันจะได้รู้ว่าลิงเป็นยังไงเธอไม่อย่างงั้นเราก็จะไปไม่เห็นสมรรถภาพของลิงเวลานั่นพ่อแก่ลงไปคิดว่าถ้าตายลงไปทรัพย์สมบัติไม่มอบให้ใคร ก็เกรงกว่าจะรบคุ่งกันขึ้นในระหว่างลูกลูกกับสามีของลกูกคนจะตายเปล่าก็ความโลกของคนดังนั้นพ่อจึงมาคิดว่ามีคำสั่งให้ทาสะอุศสะภายในเจ็ดวันสะของใครใหญ่กว่าใครคนนั้นจะมีอำนาจได้เป็นกฤิย์จะมอบพระขันายาสะแสงอาญาสิทธิ์ให้ แด้ความจริงที่พูดนี่เสียงรถมันดังเอาเสียงของพ่อนะไม่ทราบว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่าว่าพูดที่บ้านพักเตยโตชันดอเขตแปดท่านล่ายฟังว่านางแก้วนางคานางยูมันนาหัวเป็นมนุษย์ใช้ลูกน้องขุดมาทึงวันที่หกสำหรับสามีคนานางเกตนอนกันดิเขา่าสบายนางเกตก็เข้าไปอ้อนบอนเท่าไห ร, ร่เทก็ไม่ปวด นางเกยก็ร้องไห้เกรงว่าจะแพ้เขาสา ม, มีก็บอกว่าฉันเป็นหลิงฉันเป็นสัตว์ระหาดฉันฉันจะปกครองประเทศได้ยังไงประเทศใดที่มีสัตว์เป็นพระราชาจะน้อยหน้าคนอื่นความเช่อมชิงของบุคคลภายในประเทศจะไม่มีความจริงเวลานี้ให้คุณช่างพูดไปเราะมากท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้ม ยิมนะท่าก็บอกไปว่าคืนวันนั้นรุ่งคืนจะเป็นวันที่เจ็ดลิงเพือกตัวนั้นไปเกณฑ์ลิงจากป่ามาหาสารขุดเสพักเดี่ยวรากดว่าเป็นสะที่ใหญ่ที่สุดไม่มีสะอื่นดีเท่ามันคนแรกก็เอาต้นเกศมาปลูกไว้กลางสะไปหาต้นเกศมาจากป่าสูงแต่ ง, งานจะงงามมาก แล้วก็ไขน้ําืดถูกขุดไปถึงฐานน้ําถึงบาดาลน้นําบาดาลก็โปรยพุ่งเข้ามาเต็มสาสายสะอาดซึ่งมีความสวยดีกว่าใหญ่กว่าน้ําสายกว่าสาอเื่เ อ, อตอนเวลาพรบเจ็ดวันพระราชาก็เรียกเข้าไปขุขดเผยตั้งไปคนแคสี่คนเข้าไปเฝ้าหน้าลูสาวด้วยก็ปลายกฏว่าสาของนางเกตใหญ่กว่า ต่อมาพระราชาทรงไปชนและก็สวรรคตผัวของนางแก้วซึ่เป็นปเป็นเขอใหญ่คิดกันว่าเือสามพี่น้องท้าผัวของนางเกลครองเมืองก็จะกลายเป็นเมืองสติไรฉานไปนึนกคิดว่าความสําคัญอยู่ที่พระแสงอญาสิทธิ์เมื่อพระราชบิดาตายที่ในว้าพระแสงอญาสิทธิ์ขึ้นหลังมาเป็นผัวของนางแก้ว พระราชาลิงก็ไล่กวดโกรธก็มาทันใกล้สาเกตเขาก็เลยคว้างพระขันนยาสิ์มาที่สาเกตถูกต้นเกตขาดและกระจมไปในน้ำเวลาที่พ่อไปเห็นประมาณปี2470ร้อกว่าสร ะ, สะนี้น้ำใสสะอาดมีต้นเจอขึน้นหนอยู่นิดหน่อยไม่มีใครทำความสะอาดน้ำใสามาก ไอสามสระมีต้นฟงขึ้นเต็มถามคนชาวบ้านแถวนั้นว่าสระนี้มีใครมารักษาทำความสะอาดหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าใส่อย่างนี้เองต้นหญ้าไม่อยากจะขึ้นไม่รบกวนเราก็พากันถือว่าสระนี้เป็นสัว์น้ำสะอิดเวลานั้นเวลาเทน้าวิพัสสกิยาเขาก็จะตักเอาน้ําในสาเกตนี้ไปแต่ท่านคุณช้างบอกว่าไปที่หน่าเช่นใด เวลานี้ไม่มีใครเห็นความสำคัญของสระศีสะปล่อยให้สระตื้นเขินและรกลุงรังมีต้นไม้ต้นยาหมดความหมายท่านบอกว่าถ้าจะรักษาสาะนีไว้แล้วก็เขียนประวัติย่อๆเข้าไว้ทำสถานที่ให้หน่าเรื่นรมเ่ยนเป็นที่ชนชมค้นคัศนาจารและประวัติศาสตร์ เขาเลยบอกว่าประวัติศาสตร์ที่คนจะคิดก็คือพระราชาสมัยนั้นแต่ละคนตายหมดลูกสาวพระราชาก็ตายหมดผัวของพระราชาลูกสาวผัวของลูกของพระราชาก็ตายหมดไม่มีใครปรากฏว่าขังเมืองอยู่ได้และไม่มีใครปรากฏว่ามีชีวิตอยู่ได้เป็นอันว่าเรื่องนี้ท่านบอกว่าน่าศึกษา ตามคำแนะนำขององค์งสองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโลกนี้เป็นอนิจจังมันไม่เทีย่ยงโลกนี้เป็นทุกขังเพราะความวัวเมาในชีวิตและทรัพย์สินในทีสุดโลกนี้ก็เป็ น, นาตาหาอะไรส่งตัวมีได้แก้ไว้ในโลกนะนี่เป็นคําสอนของคุณช้างและคุณช้างก็ยิ้มต่อไปเวลานี้พ่อพูดกับโลก เพระเอินคุณชา่างกันมาแล้วก็บอกว่าบอกหลานๆทั้งหลายนะว่าอย่าเชื่อประวัติศาสตร์เพราะว่าคุณช่างเป็นคนโหรานและก็จะเยืเ่ยมตัวคนที่เขาเขียนคําว่าไม่จริงจะว่าประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่เป็นนิยายว่าคุณช่างเป็นคนเลวแต่ความคุณช่างคนดีคุณแผงคนดีเป็นคนที่มีระเบียบวินัย เวลานั้นท่านบอกว่าเป็นสมัยพระเจ้าพมรสาหรือที่เรียกกันว่าพระเจ้าสามพญานั่นเองท่านบอกว่าเอาเท่านี้นะเรื่องราวเอาเท่านี้รถจะวิ่งต่อมาถึงอำเภออูทองท่านก็บอกว่าอำเภออูทองนี้เป็นเขตเขตหนึ่งที่ลูกชายเขาไปเจ้าพร ม, มหาราช ไม่มีอำนาจเหมือนพ่อถอยทับกลับมาจากสุขโขทยัยด้วยจากโยนกมาตั้งเป็นอิสระอยู่ที่นี่ในเขตทวาราวดีแล้วต่อมาเหลนใหาบอกว่าเหลนเลนปลายหางแถวมีนามพระเจ้าโอทองไอเมืองตัวนี้เดิมทีมันเป็นสายทางเดงเขาไม่น้ำท้าจีน แม้ว่าแม่น้ําท่าจีนเติ้งเขินน้าเปลี่ยนทิศทางใหม่ไปไหลออกไปไกลมากในปัจจุบันที่นี้ก็เลยกลายเป็นอ่าวไปเป็นบึงไปเวลานี้เขาเรียกว่าแม่น้ําไร้รถเมื่อเติ้งเขินขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นความไม่สะดวกในการปกครองประเทศก็มีขึ้นเรืเจ้าอู่ทองเห็นมาภูมิประเทศไม่ดีเขาย้ายไปตั้งที่หนองสนม ควจริงเขาบอกว่าเป็นโลกหาลงเมืองถ้าไม่จริงเป็นแต่เพียงว่าพระเจ้าทองเป็นคนฉลาดไม่เป็นคนฉลาดและก็มีอำนาจมีความรู้มีจริยธรรมดีมีจิตวิติญาสูงเป็นคนดีมากเห็นว่าอยู่ที่นี้ไม่สะดวกก็ย้ายเมืองใหม่เวลานั้นมันย้ายเมืองง่ายเพราะดินแดนมันว่าง ไม่ได้มีเมืองไม่ได้มีใครปกครองติดพันกันอยเวลานี้เวลานี้หาช่องว่างไม่ได้เวลานั้นที่ดินว่างมากกว่า6คนผู้ปกครองยิ่งได้ย้ายไปการที่จะพูดกันว่ า, ากษัตริย์สมัยนั้นกับกษัตริย์สมัยนี้ถ้าคิดกันตามอย่างผีผีเระศัตร์สมัย เรียกว่าเป็นเชื่อสายของโยนกนาครสืบเนื่องกันมาเพีงสุโคไทยที่นี้ก็เสืบเนื่องกันมาถึงยง อ, องศิงริยาจึงเป็นกษัตริย์วงค์เดียวกันแม้แต่นนรัตนโกสินทร์ก็เป็นกษัตริย์เชื่อเดิมของสุโคไทยและโยนกนาครนนั่นเองท่านก็พูดถึงขุนเหล็กและเหล็กชายเหล็กนี่เป็นคนของสุโคไทยก็เป็นเชื่อสายของโยนกนาคร บิดาเขาราชการที่หนึ่งก็เป็นเชื่อสายของคนเหล็กอย่งนั้นราชการที่หนึ่งจรงเป็นคนสุขโขทยัยหรือเป็นคนเชื้อสายคนโยนกนครทธนว่าอย่างนั้นนี่เรื่องของคุณชา้างเราก็เขาผ่านไปแยกเราก็มากเกินไปมันจะไปซ้ําประวัติศาสตร์เดินทางต่อมาถึงจังหวัดนครปฐมทั้งว่าจังหวัดนครปฐมนี่เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องคิด ที่เขาเรียกกั็นว่าธวาราวดีและก็เป็นที่เก็บคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดหนึ่งในจุดหนึ่งนครปฐมก็เคยเป็นเมืองหลวงสำนับเขตนั้นเล็กๆ เ, เป็นเมืองเล็กๆมีพญากรงเป็นคนปกครองแล้วต่อมามีลูกออกมาโหนพยากร์ว่าลูกคนนี้จะฆ่าพอ จึงให้คนนำไปฆ่าแต่าคนเขาสงสารจรึงให้ไปให้คนอื่นไว้แล้วก็ตัดคอสุนัขเอาเลือดสุนักเข้ามาติดมีดเข้ามาสแสดงว่าเวลานี้ฆ่าแล้วคนที่เลี้ยงไว้ก็คือให่หอมต่อมาเมื่อเด็กคนนี้โตขึ้นก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในเขตจังหวัด ร, ราชบุรีเป็นเมืองเล็กๆเหมือนกันเมืองเวลานั้นเป็นเมืองเล็กๆ ต่อมาพระราชาดังสองเมืองไม่ถกกันยกทัพมาห้ำหั่นสิ่งกันละกันในที่สุดพญาพานเป็นลูกชายก็ฆ่าพ่อตายเมื่อฆ่าพ่อตายเห็นว่าแม่ยังสาวและยังสวยต้องการอยากจะได้แม่เป็นเมียเวลากลางคืนยังย่องขบ aja หาแม่ก็ปรากฏว่ามีสุนัขสองตัวคุยกันว่าคนเหล่านี้มันเลวจริงๆนะ มันมีความอากตันอยู่ไม่รู้จักคุณไอ้ลูกจะเอาแม่ทาเมียเนี่ยเป็นลูกที่เลวที่สุดไม่ฆ่าพ่อมันยังไม่พอยังจะเอาแม่ทำเมียอีกในที่สุดพิยาพานก็ตั้งจิตอดิฐานว่าถ้าหญิงคนนี้เป็นมารดาเดิมจริงเวลาเข้าไปค้อยน้ำนมไหลออกมาเนความจริง พระราชาท่านก็แก่แล้วเมียท่านก็มีอายุ ม, มากถ้าลูกเป็นหนุ่มขนาดนี้อายุก็โตแต่ก็ไม่มีลูกเล็กเมื่อบยาพันเข้าไปใครจะหาแม่คิดว่าจะเอาทำเนียเข้าไปจริงๆเห็นน้ำนมทั้งสองเต่าไหลออกมาก็โดดเข้าไปผวาเข้าไปกอดแม่แล้วกราบลงไปมันจักดื่มน้ำนมเพขอสวามีพักว่าขอถวายตัวเป็นลูกต่อมา ก็มาสืบประวัติว่าทําไมทีเน้เป็นอย่างนั้นก็มาทราบจากข้าราชการบอกพญาพานนั่นก็คือเป็นลูกของพญาโกงตาสาโหดไม่ดีบอกว่าลูกคนนี้จะฆ่าพอ่อพ่อจึงได้สั่งประนําไปประหารชีวิตนี่มันเติงกรรมต่อกัน <c oughs> แล้วต่อมาจิเน่มีความคิดว่าเราเป็นคนอตนัตตุลยู่ยดันยูไม่รู้คนพอ่อจึงได้สร้างเจนดีแปลนุศนสาหรับพอ่อขึ้น ที่เรียกว่าพระปะถมเจดีย์แต่ไม่ใช่องค์ใหญ่เป็นองุ่เล็กความจริงเรื่องพระบปฐมนั้นเขาบอกสร้างให้ยายหอมเพราะว่าแกบอกแก ค, คิดว่าใยญ่หอมไม่บอกความจริงกับแกแกยึงฆ่าใหญ่หอมตายถ้ามันเน้นเมื่อมันบรรดาหมาทั้งหลายเขาคล้ายค้านเราทําอย่างนั้นมันไม่ถูก ควมจริงเย่หองต้องปกปิดถ้าพูดไปก็ไม่ไม่ใครเชื่อมารู้ความผิดขึ้นมาจึงสร้างเจดีย์มอบให้ให้อุทิศให้แก่ ใ, ใยอหอมเป็นการขอข้ามาโทษเป็นอนาลุงช่างพูดแล้วก็ยิม้มยิ้มแล้วก็บอกว่าคำว่าพระราชาก็สลายไปหมดพ่อเมืองก็หมดคนสมัยนั้นก็หมดที่แย่งชิงทรัพย์สินซึ่งกันและกันไม่มีใครสามารถจะปกครองทัพย์ไว้ได้ เวลานี้ทรัพย์เป็นทรัพย์ของประเทศไทยทั้งประเทศไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะราชาสมัยนั้นก็ตายบอกลูกบอกหลานท่านพูดแล้วก็ยิ้มว่าจงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอย่าถือทรัพย์สินว่าเป็นเราเป็นของเราอย่ามัวเมาในชีวิตและทรัพย์สินในที่สุดความระทรมทุกข์มันก็จะเกิด เห็นไหมบุคคลนี้กล่าวชื่อมาถึงท่านหลายเหล่านี้มีใครจำชื่อได้บ้างจำแล้วก็ลืมไปกระโดกอยู่ที่ไหนอานาจวาสนาบารมีเวลานั้นมีอยู่อยู่ที่ไหนเป็นอันใดเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีแต่ชื่อน ล, ล้วหลายหลายรายก็ปรากฏว่ชื่อไม่มีเอาละลูกรักสำหรับเทพน้านี้มองดูแล้วมันก็จะหมด เป็นนั้นว่าพอขอพ่อขอยุติไว้แต่เพียงเท่นทานี้แต่ว่าการที่จะพูดต่อไปในขั้นหนายังไม่ทราบเลยว่าจะต่อกันได้หรือไม่เพราะเวลามันไม่ต่อกันถ้าพี่ช่างหรืคุณช่างแกมาแนะนําให้แล้วพูดไปมันอาจจะต่อกันได้ถ้าพี่ช่างแก ไ, ไม่แนะนำนำให้พ่ออาจจะพูดเลยไปสําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่นทานี้ ขอความสุขสวัสดิ์พนะิพัฒนามงคลสมบูรณ์ุลผลจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี